พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สมกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าเสียดายคนตายไม่ได้ดูคณะสัตายาติโจมเอาเก็บของ แล้วก็อาหารพวกคณะทางครัวคงจะไม่ขาดตกบกพร่องนะอาหารทางเจดีแน่ครูบาอาจารย์พระเยอะนนวันนี้แต่ยังไม่ได้ถามว่าพระทั้งหมดมาในงานของลูกปู่ยังไม่ได้ถามยอดของบัญชีพระแต่เห็นเมื่อวานในกโมากมายนะลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยม แล้วก็เมื่อวานมีการย้ายสรีระของหลวงปู่จากศาลาการประเรียนแห่งนี้ไปสู่เมนเที่พวกเราไปเมื่อวานนี้ก็มีการแห่สรีระของหลวงปู่ลูกหลานทั้งหลายพระเนนทั้งหลายเห็นแล้วก็อบอุ่นในฐานะที่หลวงพ่อไดมาร่วม ช่วยดูแลจัดงานของหลวงปู่เห็นแล้วก็อบอุ่นยังคิดไปถึงว่าะมีคนพูดว่านะโอ้เสียดายคนที่ตายไม่ได้มาเห็นด้วยครับนะโอ้งานเมื่อวานในเสียดายเสียดายคนที่ตายแล้วไม่ได้มาเห็นด้วยพวกเราเห็นด้วยรู้สึกว่าโอ้โอลังการอบอุ่นคนที่ตายไปแล้วไม่ได้มาเห็น เพราะนั้นวันเมื่อวานรู้สึกว่า อ, อ, อลังการประทับใจกับลูกหลานอย่างมากทีเดียวแล้วก็ใยคนในมุกดาหารก็คงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตแล้วก็วันวันนี้เราเป็นวันที่สี่นะคณะสทายาทโยมลูกหลานวันนี้เป็นวันที่สมกราคมพุทธศักราช2557 ตรงกับวันขึ้น4ี่ข้าเดือนสองปีมะเมียเวลา16ศูนย์ศูนย์นอพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าภาพถวายเครื่องทายธรรมอันนี้คือเราจะไปสวดอยู่ที่เมนนคณะสาาัายาโยมถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมกันไปรวมกันอยู่ที่เมนแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาประชุมธรรมวัตเยน็นรอบบริเวณเมนปราศาสพญนกัจ ด, ดีลิง แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราดวรคุณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์พระสงฆ์สิบรอบสวดมัติการพิจารณาผ้าบางสกุลวันนี้นะมีการแสดงธรรมพระราดวรคุณวัดบุรพารามลูกศิษย์หลวงปู่ดูลที่เกิท่านเคยมาเทศในงานของหลวงปู่หลายครั้ง นิมนต์ท่านมาหลายครั้งแต่คราวนี้ก่อนนิมนต์ท่านคือเทศแสดงธรรมในคืนนี้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าเนะมาร่วมมารวมกันวันนี้ฮะแล้วก็มีการไหว้พระสวดมนต์บริเวณรอบนกหัดจดีลิงเขาว่าหัดจดีเนี่ยหัดหัตทะแต่หลวงพ่อก็ไม่เก่งภาษาบาลีแล้ววะหัดทะนี่ว่าแปลว่า ฮัทฮทพาสั่งฮัทท่าสั่งบวงเหงมือนกที่มีมือนกที่มีมือดม่ดูซิลืมตาก็ได้ได้เอกนะไปดูใกล้ๆนะเหลือตาเหลือไปเหลือบมาหูหูกับหูช้างกับพับไปกับพับมางวงก็ยกขึ้นยกลงอีกต่างหากแต่อีกต่อไปอีกใกล้ๆวันจะพระราชทานเพลิงสติละหลวงปู่นกตัวนี้มันจะร้องให้ฟังนะถ้ามาฟังนีเสียงนกตัวนี้มันจะร้องเสียงยังไงนะ มันจะร้องเหมือนช้างหรือมันจะจะร้องเสียงอะไรนะให้พวกเรามาฟังดูมันจะเสียงร้องออกมาจากนกตัวนั้นอีกนะนกแปลกนกหัดจรีริงมีมในในครั้งพุทธกาลนะแต่เดี๋ยมันศูนพันเหมือนกับไดโนเสาร์ศูนพันอย่างนั้นแหละนกหัดจรีลิงก็ศูนพันเหมือนกันเพราะมันก็ตัวใหญ่อาวุธทุกวันเนี่ยมันมีตะปืนใช่ไหมเออมันริงที่ไหนก็ไม่พลาดที่มันตัวใหญ่ใช่ไหม มันไปนหลบอยู่ที่ไหนมันก็หลบยากเพราะมันบินอยู่ท้องฟ้าวัน น, นันกขัดจีลิงศูนย์พันแต่ในครั้งพธการมีไหมมีหลวงพอ่อหลวงปู่หลอ่อคงอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อคืนนี่นะท่านคงอธิบายให้ฟังนกขัดจีลิงนะี่คืออะไรนะต่อนนี้ไปรับผ่อนนะัตตินนะหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากมีครูบาอาจารย์มามากวันนี้แต่ถึงยังไงก็อย่าพลาดนะวันที่5นะ้าเน้อลูกหลานเนะ้อวันที่ห้า เดี๋ยวอ่านข้าวๆให้ลูกหลานได้ฟังก่อนก็ได้นะวันที่หมกราคมพุทธศักราช2557ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนสองปีมะเมียหโมงก็พระสงค์รับบิณธบาดอย่างวันนี้ละแล้วก็14นาฬิกา1 4นคือบ่ายสองโมงแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะจอมไว้นบ่ายสองโมงแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน โดยพระธรรมทิติยานวัดบึงพ ร, รานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเคยมาแสดงธรรมให้กับพวกเราได้ฟังตัญญคุณธรรมนะวัดบึงพ ร, รานชัยและก็ 15.00 า น, นพระสงค์109รูปโรสวรสดทักคินานุปทานพิจารณาผ้าบังสุขุลพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเวลา16พระสงฆ์สมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรจากเจ้าพระคุณสมเด็จ พระที่ระยานโมนีวัดเทพศรินทราวาดอันนี้ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเขคงจะถ้ามันมีเวลาแต่ก่อนนี้ทุนกระหม่อมพระองค์ท่านจะเสด็จแต่พระองค์ติดภา ร, ร ก, กิจ เ, เสด็จแทนพระองค์คงจะเสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแทนบรมราชินีท่านก็งดมา ในงานของหลวงปู่ของเราแล้วก็เมื่อพระ อ, องค์ไม่ได้มาในงานพวกเราก็คงจะย่นเวลาเข้าคือให้กระชับเข้านะแต่พระ อ, องค์ท่านจะเสด็จ170000นนวันวันที่5แต่เมื่อพระ อ, องค์ไม่เสด็จพวกเราก็คงจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะยังค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคือเพื่อความเหมาะสมนั่นแหละเพื่อความเหมาะสมเพื่อความถูกต้องเพื่อความเรียบร้อย าหากว่าไม่มีอะไรเราจึงไปคอยนั่งแกวโยมก็คงจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สบายใจกับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องผูกมีธุระภาระก็มีถ้าเร็วได้ก็ดีเหมือนกันนั่นแหะวันที่หนะถ้าคอยฟังเนะ้อคณะสัาาตยาธิโยมวันที่5้าเป็นวันศุกร์ดิบละทีนี้พี่น้องลูกหลานคณะสัตย า, าติโยม อ, อยู่ที่ไหนก็ให้มาร่วมกันนะแต่เมื่อวานนี้ก็แห่ สิริละของหลวงปู่ออกจากศาลาไปสู่เมนก่อนรู้สึกว่าประทับใจกับลูกหลานญาติพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมศิทธยานุศิษฐ์ถามใครๆก็ว่าปลื้มใจที่เห็นขบวนแห่ศรีละของหลวงปู่จากศาลาไปสู่เมนนะเพราะนั้นวันที่5้าก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศริละของหลวงปู่เป็นวัน สุดท้ายแล้วกับวันที่6เป็นวันเก็บอธิธาตของหลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนะ้อในชีวิตของพวกเราก็มีครั้งเดียวเท่านี้แหละได้เผาหลวงปู่นะคงจะได้ไม่ได้เผาอีกวันปีต่อไปเดือนต่อไปในชีวิตของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราถึงจะยากลำบากยังไงถ้าหากว่าไม่เกินไปไม่ลาบากจนเกินไป ขอให้มาร่วมกันเนอะวันพุ่งนี้เนอะคณะทาญาติโยมลูกหลานลูกหลานทุกคนขอลหลงปู่หลออนุโมทนาให้พรกับผม